พลอย พ, พัน์ผู้รับกะละับเพื่อพลอยพันธุเพื่อให้มันหาเพิ่ในวันตาสงสารผู้เจ้าของปาาถนามนุษย์สมบัติสวัตสมบัติเพิมสมบัติในทางที่ชอบตลอดจนพลอยพานสมบัติบอจงไหนตล่าวขางงามม้ปา่าธนาที่ถุงเอาบุญของมานก็ขาเธอผู้ขายคนทุกข์ทในวานสารนี้ก็ได้และหามาทา่องเที่ยวในวันตาสงสารนี่ นี่มาเป็นเพจผู้เฝ้าผู้จะพ่อ่อรอนได้หรอครับวอร์นี่ยัยไหนนี่มนีย้อบี้อะบ้ละัดเื่ออะไระเบอว่าบงะไรเด้อาบโอ้ชาครับวูลัดกะไดเร่งอะจะเกี่ยวว่าซสนน้อยวะ เอามาส่งมาไหนวะทุกขาเรื่องมอไห้วะม้วแต่แนวาอื่นอยู่วะม้วนอันเอาหายม้วนแล้ววะสลาดจะได้หรอมาทูกขาคัดตพันเปนเหลี่ยมมาแต่เอามาส่งดอกสนโดยแต่ตัวเรื่องมอให้เขาเขาทำอของเขาเิตัวเรื่องหมอไห้เขาอันเนี้ยเขาทมอของเขาอันนี้จะที่จังวัวัดวัดบางวัด่ยว่าพ่อนี่นั่นวะีมกว่าต่อบาวัดวะ มันสั่งเม่อคัดแย้มันี่เมื่อไหร่อห้องเขาไว้ว่าห้เขาเขาเกิดท้องซ้ออ๋เขาท้องแย่ครับแล่วเหลี่ยมแล้วตอนคนอาเซียามาดอกก็เป็นแล้วสลับเยออันเมื่อไหร่เม่ไหรงวันเด้ยดย่งอันเดียวอยู่คุณเดี๋ยววันเดียดตรงมันเนาะขอมาหลายอันเติมเยอันสลัทเยแล้วก็ได้โมิโซว่าอเน ปุซายอิตยบริสัทชว่าแต่ว่าพุบริสัทท่านเองท่านปุซายคนนีงบริษัทซีที่ทำหอยสาดนะห่อเจลิ์ที่ทให้เชื่อมกับบริษัทที่ที่ชร์แซมมานี่นวาชอกวาเซตาบริสัททำห้เชื่อมแต่ว่าถ้ามันเข้ันก็จะเจาบริสัเชื่อมแต่ใช่แต่ว่าหมูห่อเชื่อมนี้จากคนเือ เมพระพุทธเจ้าองค์ได้่ากก็มาสอนธรรมอันเก่าในบริเตียมไปไสช่เดี๋ยวจะเที่ยงว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเติมเป็นยุบเป็นข้าวคือเป็นยุบเป็นข้าวของพระพุทธเจ้าองค์นั่นเหตุไงพระพุทธเจ้าจึงมาเป็นยุบเปนยุบเป็นยุบว่าขันทุกขพระพุทธเจ้าว่ามากเป็นยุบแล้วสัตว์มารอบก็แก้เกี่ยว่านี่นั่งเที่ยวอก็ดีนะมั มนุษย์ก็ดีเนื้อมอหกมุนก็ดีมันยั่งหลายอโคขังมันมืดม่เป็นเห็นสัาพระพุทธเจ้าช่างมาเป็นยุคนุกคนยุคนุกคนยุคนุกมาหยุกจะระยุกระรยกหนี่งแต่มาสอนเอาไปค่าเสียงเพื่อจะสอนไปเพราค่าเสียงเพื่อจะเอาไป่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ที่หลังเนี่ยเยะพระพุทธเจ้ามาสอนทำอันเก่าแล้วมันทำอันใหม่มาเป็นยุ็นุกมาสอนทำอันเก่า สวิงพระพุทธเจาสวิงหาตาคือสินหาหรื อ, อว่ากรองครับพระสุทธพระธรปพระสงค์เองแต่ถาว่าพระพุทธระธรรมพระสงฆ์สักคนนโมนี่สมายความว่าขอนอนหลับเ่อพระภูมีพระภาคอาลันตะนิมมานพรพุทธเจ้าพระรองค์นั่นเนี่ว่านามโมสามจบเลยแล้วก็ขอถึงพระสุทธพระธรรมพระสงค์ ข้างที่หนึ่งสติยัมติข้างที่หนึ่งพวกขัางที่สองสติัมตตตยบมิหนึข้งที่สามก็ราะว่าถึงข้างที่สองถสามแล้วกใดฤกษใดฤกษ์ถึงอย่ทกือเขาต้นาเป็นขาดอยู่ทเนือถึงพระทธาสางก็ทีนี้ขั้วเหล่ยมสยครับถือทุกเมืองเอาเป็นที่โพที Vegan ่ระีปิปิบูาอยู่ทุกเมืองมีประมาณ ในเลือดใดหงวใจก็จะผูกคาจองขาอาถรรพ์อะไรกัสนคอเสิรว่าคุพระธรรมประสแล้วซึ่งอื่นมันค่อยเป็นไปแล้วอันนี้คนเสิร์ว่าคุพระธรรมประสองที่มันเปลี่นไปห้าเคียร์มูคัน้าถือผีก่อถืบผีนั่มมูคันชาถือเลือสื้ง่ามก็ถือนํามมูคันชาถืบบวกสวงอันนี้ก็ถือนํามอันนี้ก็สืบอันนี้ก็สือรดเมื่อว่าอะไจักอัน สูอิ้นพรุทพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไรอาล่าอันโลกเสกยานิอนุสาพระยาจักกิสาเนศสังโฆเสนนั่งเสลืมังเมศจังสรณะมุตตมั่งเมศจังสนหนักมากังมางพระสุคขาพระมุขิียงด้วยเจะาวุฒท่านจ่าธรรมจาสังฆาจ่าสังฆะโตไอ้เถินก็คือพอ e. ระธรรมประสงค์เป็นที่เพื่อนมามันจังปลอดไพเข้ามาปลอดไพ่ไงปลอดไพ่ประหอดนรกว่นไรร่งหอดนรกเนเจอขีพุทธจังสรนางฆาตจังฆโตผูตาย เนเตทคาพูดกันจิอปายและปวงปะหาจะมาในสังเทหังเทวกายันเป็นตัวเลขสั้นทีเดียวคือได้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จนขึ้นเรื่งคุณท่านละโลกนี่แล้วไปบันเทในสวนรคพระพเจ้าบอกว่าห้าวเมื่อตื่นถึงแม่แม่าบอกว่าไม่ก็แม่ถึงเาเกระทงมาถึงนึกถึใจอยากฟังแวได้ไปว่าไม่ห้าวที่ประเทศอินเดีย่นเขาก็ง่ายคิดได้ใจเา เขามาวัดกระถึงอยู่เขามาวัดก็ถึงอยู่วัดก็มีมาโนวัดเป็นต้นวัดทั้งหลายกายวัดวัดขีวัดมโนวัดอันนี้เป็วัดส่วนจอดไปเขาหมันวัดส่วนโลกก็คือวัดเจ็ดสี่เลยชวนโลกวัดส่วนจอดไปเขาหมันกายเวัดวัดขีวัดมโนวัดหรืพระเทวดาถิ่นท้ำตามจะที่กำลังที่สพองราพูดพระถ้มประสงฆ์อยู่ในวัดต้องนื่ก็บนักท่ากตธรรมนัท่งพระสูตรมาพูดพระถ้มพระสงค์ก็อยู่ในวัดสี่นัท่าพระสูตร ในทางพระธรรมะอย่งยอะะกุละกายสกุลใจขอภัยของมันที่ประพฤติปฏิบัติตามชี้ทาพระองค์กนในทงพระธมมัดข้ามห า, าจ้าาใจอ่อนอย่นบ้านเมืองของเาบูญไหว้ใช้พงเจ้าโลกท่างร้ายหางเหินละหางเหินจากสืรบน้าคาฟัานกันไปแล้วเติมละเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าขามาแล้วม่ได้ประโยชน์นี่ตายก็ตาย เรมาลูตัวอะไากันรลูตัวเลยนี้สงครามโลกต่อโลกเสียงงดระวันมันจะเป็นสงครามในประเทศเราไปทมมันไม่หวากงานยู่กรันจิในไม่หานงาน ก, ก, กันจิ น, นยวากาหลากงานยอดกันในประเทศได้หวานออกนอกก็ได้วุ่นไหวมอแหกแจกโผของไปได้ละหานาว่านั้นดีมันาวาเื่อระรรมสวรรค์ดลไพ่อัก ษ, ษรไพร่บุกาไพ่ เดือดเยนเข้ามาทุกสารทุกมุมเนี่ยนช่วยพี่มเขาก็บอกว่ า, วามันเหมือนี่บอกอย่ยางไว่าพายุใหญ่คิดมาว่นหรือมาแล้วเขาบ่กจักท่าปักไตคนละทา่านพ่อล้างสวนควนละสั่วร่างคนละสัดทั้งหลายนักแม่ราคาไฟจกไหมพระพุทธเจ้าหนักในราคาไฟจะไหมหนักในโทรศัพนั่จะท่วงนักในโมหะลมจะพัด จะตายด้วยลมมีตาไผ่จะตายด้วยหน้าว่าตาไผ่จะตายล้วร่มตาบอดเห็นใครตาดีให้ตาดีอ้าออ้าวตาดีอ้าใครก็มาแ้อ้าห้องนี่เป็นผู้เสียบห้อเน่ยเป็นผู้เสียนผู้เห็นอผู้เสียบนมันงงมันอ่านอ่าอ่านอันนี้ตะกอนดาตะกอนไงตะกอนเศเว้ยบดตาตะกอนอ ต้องเริ่มทมานสกันนี่เอ้าอวัดก็ต้องเป็นวัดอยาจัดเป็นสนามเลขมาผูกเอาเลขก็ไม่ผิดกับมาเข่หัวพระกับเอาขี้มาทาสานักซึ่งเป็นแนวความคิดที่เหยียบย่ำทำลายพระศาสนาและดูหมิ่นปฏิปทาของสานักก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละการเอาอบายมุขมาคุกเขา มอมเมาในพระพุทธศา ส, น า, สนากับการสร้างมหาอเวจีมหานรกก็มีความหมายอันเดียวกันอบายมุขทุกประเภทกับโลกาวินาศก็มีความหมายอันเดียวกันอบายมุขทุกประเภทกับมนุษยวิบัติสวรรค์วิบัติรมวิบัตินิพพานวิบัติก็มีความหมายอันเดียวกันส่งเสริมอบายมุข ก, กับส่งเสริมให้คนปีนเกี่ยวออกนอกพระพุทธศาสนาก็มีความหมายอันเดียวกันผ <arada> ู <consuming> ้มองไม่เห็นโทษในอบายมุข จะเป็นผู้ถึงไตรสรณคมแท้ย่อมเป็นไปไม่ได้ฟ้าขาวดาวสว่างไม่มีเมฆหมอกแต่มองไม่เห็นดาวจะเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ได้อย่างไรผู้ไม่ถึงไตรสรณคมก็อย่างนั้นพระนิจจาเอย๋ยบางท่านอ่านแล้วนึกโกรธจงเอาโกรธแตกไปขายให้พระนิพพานในโลกนี้มันเต็มแล้วขายไม่ออกพระนิพพานดับจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วไม่ควรเอามาตู่เลยหลวงพ่อหลวงตา หรือหลวงปู่ล่าเขียมปัตโตมุ่งดีอย่าได้มีเวรภัยเชิญศรัทธาธรรมทรงฆ่าล้านำมามากมายมูลมองศรัทธาหวยป่วยเวลาทั้งผู้มาและผู้ต้อนรับเป็นอัปมงคลอาภัพทั้งผู้ต้อนรับและผู้มาสู่ผู้ใจสูงแลดูพิจารณาถอยศรัทธาแลวงเล็บแต่พระผีนาศพท่านพ้นไปแล้ว วัดบรนพตีรีปูเจ้ากอบ้านแหวงตำบลหนองสูงใต้กิ่งอำเภอนองสูงจังหวัดมุกดาหารสมหมายสมหมายว่าไงบ้าง่ามาหาหลวงปูเนี่ยบันไดมาเพื่อเหล็กเพื่อพ้าเพื่อว้ดนเพื่อบ่ออยังนี้พวกขาก็เลยว่าเฮ้ยโตเลยเจ้าเรยนเลอกเรี้าเรียนวัดเรียนเดินกันโตเศร้ากันโต่มีเงินใส่ นอกจากอาปาก็ยังโตก็เมียโตก็ลูกโตบมังสี่ก็ป่าเข้าในซาสอะไรยักษีปีวาสันน่นมีร้ายอะเดี๋ยวนี้วาสันชุ่นก็มีร้ายววาเมอก็เลยเช่ามาในซีหาปีเดือนนี้ได้ลูกซีอีกโลกหนึ่งละวันเขาพันมาตัวนั่นเที่ยวไปวัดโพวะสันนั่นแต่เป็นอะไรเป็นเร่ก็น้ำพ่นเพราวะว่าไาว่า หมเพราะแทนหมดเพรานซ่านเลยใช่ไห ม, หมเพราะเล็กเพราะบางอพรวัดเพเบนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติลมสมบัตินิพพานสมบัติพระลมศาสศาสดาจารย์บอกหมดแล้วไม่มีสิ่งที่จะจิ้งแหงแขงใจที่ว่าพระองค์ยังไม่สอนพระองค์มุ่งสอนโลกจึงทรงพนามว่าโลกวิถีมนุษตรโรเป็นผู้เยี่ยมผู้ศึกาธรรมสาสตรที ฝึกตนดีแล้วจึงนฝดผู้อื่นไม่เดือดร้อนในภายหลังนักช้าเทวมนุษย์ชาแนงเป็นผู้สอนของเทวดานุษย์ทั้งหลายทุกโทแปลว่าผู้ตื่นจากหลับพระขาวแปลว่าเป็นชู้มีมีโทษและเป็นผู้จาเนียดจำจนแนกทาพระขาวําแนกทางนวัดสีหรือวัดฟาในาวัดออกหลักคตัวพระขาวชาทำเมตถ้าทำมันพวกนี้พ่าพระเจ้ากล่าวนี้แล้ว ท่า น, นทุติโกอันบุคคลผู้บรรลุต้องเห็นเองอาการที่โกไม่ประกอบ ด, ด้วยการไม่ประกอบ ด, ด้วยเวลาปฏิบัติเวลาไหนก็ <c oughs> เป็นบุญในเวลานั้นล่วงทําบาปในเวลาไหนก็เป็นบาปในเวลานั้นมันเป็นอยู่ที่หัวใจเอยให้ปฏิโกควรร่างเรียกให้ท่านผู้อื่นมาดูได้ต้องเรียกร่างเรียกให้ผู้ปฏิบัติตนเองมาดูผู้ไม่ปฏิบัติล่างเรียกให้มาดูมันก็มาเห็น เรียคนตาบอดมาสนเข็มมันก็สนไม่ได้ตพอาผู้ปฏิบัตินั่นเองจะเห็นโอ้เพราะนั่นโก้คนนอกระมาใส่ใจแบบดหมื่นชีก็าทำมขันก็น่อเข้ามาใส่ใจเข้าใจเป็นผู้ปฏิบัติรักจับตังเวทิตโพเยนโยอันเวนโยชนจากผู้แจ้งเฉพาะตัวจุกเทปโนพระกบะโทเร้าพระเศร้าโคลผสมสาวว่าความพระภูมิพระเจ้านั้นคือพระโสดาปติมาพระโสดาปฏิผลอุชุ ปจจบนโอภควาโตศร้ากสร้างโกประสงค์สาวกของพระภูมิวิภาคเจ้านั้นคือพระสกทาไทรมัสสกทากรรมิผลยายกปัจจุบันโอภควาโต้เศ้ากัสร้างโกราวกของพระภูมิวิภาคเจ้านั้นคือพระอนาคาไทรมัสพระอนาคาไทรผลสาธิจิป ino, ัจจุบนโอภควาโต้เง้ากสร้างโกประสงค์สาวกของพระภูมิภาคเจ้านั้นคือพระอรหัตตมัสพระอราัตตผล เอสาภควาโต้้ า, าข้าทั้งโกยัติทางนี่อย่างไรจับตาฤิคู่แห่งบุรุษสี่คู่แห่งบุรุษสีคษ่คืออะไรบ้างหนึ่งตัดาปเป็นมรรคตัดาปเป็นผลเป็นคู่ที่หนึ่งสกทาคย ม, มรคสกทาคาไผค ร, ร, รผลเป็นคู่ที่สองอนาคไมรคอนาคไมผลเป็นคู่ที่สามอรหัตตมร้อรหัตตะผลเป็นคู่ที่สี่นี่เรียกว่าจับตาฤิคู่แห่งบุ ร, ษรุษสีอัถาโพธิสาภควาลานีบ่บุรุษบุคคลทั้งหลายแปดคืออะไรบ้าง หนึ่งโซาปฏิภาณสองโซดาปฏิผลสามชะกทาคอยมักสี่กทาคายผลห้าอนาคายมักหกอนาคายผลเจดอนาหัตจะมักแปดอนาหัตจผลเอสากะวโตเ้าขะสั 3, for, 4, for, 5, 7, 8, A, Three, ่งโคนี่นะสาวกของพระพุทธเจ้านั้นอารหนโยภาหโนโยทักทินโยอัญชลีกรณนิโยอนุตตรังผลยัคเขตตังโลกัสตาตินั่นผู้ควรของธรมบุญเป็นผู้ควรกราบไหว้เป็นผู้ควรทัพขับทักทินาทาน เป็นผู้ควรรับของทำบุญเป็นผู้ผควรกราบควรไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องกระดาษเลสาวพรกวโตเท่าสังโฆเนี่ยสาวกขอ ง, รรของพระเจ้าอนุตตรังเยี่ยมปุญญเขตตังโลกัตสาติเป็นนาบุญของโลกไม่ได้บอกว่าอันอื่นเป็นนาบุญของโลกพระอริยสงฆ์เท่านั้นเป็นนาบุญของโลกพระอริยสงฆ์แบ่งออกเป็นสี่คู่เป็นแปดคู่ท่านว่าที่ว่าไหมา มีทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงรวมกันอยู่ในกันด้วยอันนี้ครับพุทเทศเพวกเราอยา่าไปถือศาสดาอืนาอ่นถือศาสศาสดาอื่อนมันมัวหมองในพุทธมามะกะไม่บริบูรณ์คาสอนของพุทธเจ้าจะมีมากทรัพยเท่าไรก็ตามก็รวมลงมาหาจิตหาใจหาเอกสินเอกะทำของเรานี่เองก็สอนใจเรานั่นเอง ฟังเทศก็คือฟังใจปฏิบัติก็คือปฏิบัติใจถ้าไม่มีใจก็ปฏิบัติไม่ได้แผ่นดินแผ่นหญ้ามันก็ปฏิบัติไม่ได้แผ่นดินแผ่นดอนแผ่นหญ้าได้ผ้าผ้าเนี่ยดินรอบมันปฏิบัติบาได้มันก็นทํา บ, บาปถ้าบุญมาได้แต่มันจิตใจนี่ยผ้าเขาไปทําบาปท้าบุญนะวะอาจารย์เออกไปร้ายอาหารลงมาหาใจบริหารก็อาหารลงมาหาใจโอ้คนนั่นงโอก็น้อมก็มาใส่ใจปัจจต่างหาจัตถิ e n n ที่นี่คนนี่จะถามยังไงก็ถามชาตนีงจะพูดอะไรก็พูดสักก็เนี่กแต่เราจะชัดถ้าเราชัดในหัวใจเรายัางไงแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นที่ตรวงปู่เวลาออกทุดงนี่ได้บอกว่าจะจะต้องเออเออมา ภานาเมตตาตลอดเวลาอันนี้ภาวนาในมิข้าพเจครภาวนาเมตตาบางท่านของพี่เจรณาว่าอหังคุเชตูโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขอเวโรโหมิขอข้าพเจ้าอย่าได้มีเรื่องทายอภิญาปโชโฮมิก็ดีขออย่าให้ข้าพเจ้ามีพยาธิเบือดเบียนหรือป่วยไข้อันนี้โคก็ดีขอข้าพโดยใจความก็คือว่าขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขนะผู้ทรงสงฆ์ทุกเมื่อถ โดยใจความถ้าเอาไปทางรัฐเนี่ยทีนี้แผ่เมตตาตนเสียก่อนถ้าแผ่เมตตาตนไม่ลงแล้วจะไปแผ่เมตตาท่านผูอื่นมันก็ไม่ไปเหมือนถ่ายเรือโตน้ําแผ่เมตตาตนยังไงครับหลวงปู่ครับเพราะให้เราเป็นสุขไงพระพุทธะาสนาประสงค์อยู่ทุกเมื่อเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบสุขต้องเอาตนเป็นพยานเสียก่อนถ้าไม่เอาตนเป็นพยานแผ่เมตตามันไม่ไป มันไม่ถนัดเพราะตนไม่ชอบให้เมียใครมาเบียดเบียนไม่ชอบให้เมีใครมารักมาเบียดเบียนในทางตรงและทางอ้อมทัางกายและจิตสักทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนในทางตรงและทาง อ, อ้อมเนต่องนั้นจริงว่าอหังทุกขโตหอมนี้ทุกโภหอมิอเวโรหอมิอพยานาปิโชหอมิอเนโผลหอมีสุชีอัตนางปัญหารามิรักความสุขรักษาความสุขของตนให้เป็นสุขเกิดถึงจะได้หรือไม่ได้ก็ตามก็ชอบสุขสักทั้งหลาย ถึงจะสมประสงค์หรอไม่สมประงค์ก็ตามรัทั้งหลายก็ต้องชอบสุขหมดเชนนกอยางนี้เวลาเราไปมันกลัวมันมันไม่ไหวใจมันก็เบนหนีเพราะมันรักชีวิตของมันกบอย่างนี้มันกะโดดตรงน้ําเลยอือนักอย่างนี้ถือค้อใส่มันมันก็วิ่งหนีเลยถ้าอย่างนั้นทําตาขึงใส่มันมันก็วิ่งหนีเพราะมันรักชีวิตของมันมันเกรงว่าจะทําอันตรายมันนกหนู้กัวเป็รักษาชีวิตของตนรัก ชีวิตของตนทั้งนั้นนี่เมื่อเห็นว่าตนรักชีวิตของตนเนี่ยสัตว์อื่นก็ต้องรักเหมือนกันฉะนี้ก็แะเผ่เมตตาไปหาสัตว์อื่นน้ำรับลูกผูนั้นไม่ได้แผ่มากโยนี้สี่ทุกต้นหน้าจ้าเป็นสุขในพุทธคำสงศ์อยู่ทุกเมื่อเถิดมาจากผูเกตพระงาแผ่เมตตาม่มีกลางวันกลางคืนเลยฉะนี้รีดมันกระดุกนอนหลับก็นับคากันทุกวันเนี่ก็เอาอยู่ถ้าไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่แผ่เมตตา ไม่ไม่ได้อยู่นี่ก่อนจะอยู่ที่ได้ได้จนถึงสามถึงสี่ปีก็แผ่เมตตาด้วยถ้าไม่แผ่เมตตามันก็ไปอีกตะพื้นตะผือละสารพัดอยู่ที่ไหนก็ต้องแผ่เมตตาใช่ไหแผ่ เ, เมตตาลงตรงจนถึงอนัตตาธรรมคืออนัตตาธรรมที่ไม่มีเรีไม่มีภัยผู้แผ่เมตตาเป็นคู่กับปาณาทิบาสไม่ใช่ได้อยากจะฆ่าสัตว์ เม่ตัญจะสัพพโลกัสมิงมาในสัมภาวเยอปริมาังมันมีในสูตรเหมือนกันพุทธังอทโธเจติยัญจะอสัมภาทางเวรังสัพตังเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องต่ำสถานกาทั่วทั้งใจโลกธาตุโยนิสีทุกทุกหน้าจะเป็นสงฆ์พุทธชมสงอยู่ทุกวันเถือ่อทุกวันเนี่ยเผล่อยู่ทุกวันเวลาจะนอนเวลาจะไปที่ไหนก็ ด, นดิขึ้นรถขึ้นแล้วก็แพล่อยู่บางทีเพราะเกรงว่ารถจะไปชนกันภาวนาพุทโธ แผ่แม่จาเนี่ยมันแผ่ความกลับลมให้ใจเขาออกมันได้กรรมฐานสามอย่างโดยนิสิทุกหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเหน้าเถิดเราแผ่ความกลับลมให้ใจเขาออกก็ได้อีกอาณาปนสติอีกาณาปนสติอีกกรรมฐานหนึ่งทีนี่จงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกมน้าเถิดเราก็ได้กรรมฐานอีกสามอันึงรวมกันก็เป็นเรื่องไร้ลึกถึงคุณของวัตพุทธรรมประสงค์อยู่ในตัวเอีกทีนี่เราแผ่ต้องถึงอนัตตาธรรมที่นี้ ทำอันไม่มีเวรทำอันไม่มีไฟแล้วกะเพริกกานาอนาตาควบก็ลงไปเอี๊ยนี่มันเป็นสี่เป็นสามเป็นสี่ก็ธรรมฐานเนี่ยยิงนกตัวเดียวได้ตั้งสี่ตัวเลาค่ะครับอย่างนั้นเราพูดจากหยาบเข้าใจแล้วน ะ, ะ, ะเวลาเราเดินจงกรมนะครับเวลาเราเดินจงกรมนี่เออถ้าสมมติเราไม่ยกมือขึ้นอย่างนี้ถ้าเรายืนปล่อยเราปล่อยมือนี่ถ้าไม่มีผู้คนนี่จะถือว่าเป็นการดูถูกดูด้าหรือเปล่าไม่มันขึ้นอยู่กับใจใจคาดยังไงก็ทําอย่างนั้น เราชัดยังไงก็าเข้าใจทำอางนั้นเช่นนักมวยเหมือนกันบางคนเขากม็มายกคู่<ม>เวลาเขาชกเขาก็ตะแคงข้างขวาตเต้นยักเต้นเข้าไปเลยเขาก็ชกเลยมันมันชัดอยู่กับเจ้าของอันนี้วิธีของเราวิธีของท่านผู้อื่นจะเอามาเป็นวิธีเดียวกันไม่ได้เช่นท่านผู้ชนานาญแล้วอย่างนี้ผู้ชนานาญแล้วผู้พิจารณาวิพัฒนาต้องการวิพัฒนาเวลาไหนก็ได้ เมหายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยเห็นทั้งคุณพระตไตรปิฎกครบด้วยพรามีอยู่เท่าคามหายใจเข้าออกก็สิ้นความสงสัยเลยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนอ๋อพูดอีกหนึ่งค อ, อยากจะเรียนถามหลวงปู่อีกนิดหนึ่งคือการสอนใจเพื่อจะลดละกิเลสครับหลวงพู่ช่วยอธิบายนิดเวลาเดินจงกรม ถ้าจิตรวมมันลดเองมันมันเบาเองมันถ้าจิตมันรวมมันก็ยุ่งเหยิงถ้าจิตมันอยู่ในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งมันก็ห้ามร้อยอยู่ห้ามเบิดอยู่ถ้าจิตมันอยู่ในกรรมฐานอะทีนี้เกเรมันจะเกิดขึ้นก็การมั่วเมยตกความติดในทางกรรมนึกถึงเรื่องกรรมอารมณ์คนนั้นสวยอยู่ที่นั่นคนนี้สวยอยู่ที่นี่รักการมารมณ์เป็นหยาบหยาบกรมารมณ์อันหยาบก็เรื่องผู้หญิงกับผู้ชายอันกรรมอารมณ์อัน ลูกยังกินลถผลิตภัอันนี้ห น, หน้อยน้อยกามารมณ์อันหนึ่งอีกกรมารมณ์เป็นของละเอียดเนอเพราะอนาคามีจึงจะละได้กร ม, มารมณ์ละขาดเลยถ้ทะทะาสวัดวันละได้กร ม, มารมณ์แต่เฉพาะผู้อื่นนอกจากสามีและภรรยาของตนส่วนกามารมณ์ที่ปรุงไปกับคนนั้นคนนี้มีอยู่แต่ท่านไม่ร้องละเมิดเห็นคนนั้นสวยเห็นคนนี้สวยอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็นสมมติอยู่เหมือนกัน สมมติในเรื่องสวยเรื่องมาสวยไม่สวยแต่พระ<ม>อนาคามีไม่เลยขาดเลย<ม>โทสะลมเองคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นให้เราคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ให้เราเบื่อมันจริงเรียกว่าโทสะลมส่วนโมหะล ม, ม่ะหมายความว่าสําคัญว่าเราเป็นตัวตัวเป็นตนเปนเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วก็มโมหะลมอันละเอียด่<ม>นี่เมื่อพิจารณาอนัตตาเท่า เป็นอสสารรูปเป็นอสสารเห็นอะราคะโทสะโมหะก็ไม่มาใกล้ในขณะนั้นแต่จะขาดแล้วมันขาดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของตนที่เห็นชัดถ้ามันเห็นชัดแล้วมันก็ขาดไม่เกิดมาอีกถ้ามมันมเห็นชัดมันก็มาอี ก, กเหมือนเรากวาดจอกเดี๋ยวมันก็ไหลมาอีกมันเป็นมวิสัมภะประหารมันเป็นชีลาทับญ้าเมื่อเอาชีลาออกแล้วมันก็งอกขึ้นอีกอ๋อไปอีกไปอ เรียนถามเรื่องศีลนิดหนึ่งครับคือตามศีลถ้าถือศีลแปดนี่ครับว่าถ้าเ อ, อเราไปถูกต้องผู้หญิงแต่ว่าเราไม่มีเจตนา น, นี่จะเป็นเข้าใจเ<ะ>ข้าใจเอาละถ้าเราไปถูกต้องผู้หญิงไม่มีเจตนานไม่เป็นปัญหาอาจามาเคยเป็นไปขึ้นรถขึ้นรถที่สุ่งสงเวลาจะกลับจากภูเก็ตบางานต่างคนก็ต่างจะขึ้นแล้วก็จะขึ้นตู้สองเขาก็ขึ้นตามหลังเราเขามาชนเรา เอ้ยชนพระแล้วมาชนพระแล้วแต่เราก็รู้สึกวงาไม่รั่วใครชนชนพระแล้วแต่เราไม่รับสัมผัสยังไงเราก็ชอยถ้าเรายินดีเอออยากให้ชนอีกบ้างอย่านั้นมันก็เป็นที่อาบัติเข้ า, า <c oughs> ขใจยนะทีนี้เข้าใจนี่เใจเราเปดได้มี อ, อ, อะไรจะถามเจอไหมครับ เ, เรียนธรรมะต้องถามนะครับไม่ก็เก็บไปแล้วก็ ยัอไม่สนุกครับถูกเอืนผู้ท่านเท่าไรครับแค่ไปตามปฏิยัติบรรจบไม่เป็นอปริยัติก็ยัดเข้ากายปฏิบัติก็บาดกายปฏิเวทก็คือผลของปฏิบัติกายวาจาจใจปริยัติก็ยัดเข้ากายวายาจใจปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้ากายวายาจใจปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติที่กายวายใจใจตกลงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสัพทํารรามก็อยู่เรื่องกัน เอาไหมคือพอไหนเอาไหมคือพอไหนพายพายานักสอดีๆเขาบ้างไม่ไมาทำมาทำมาได้ไมาเข้าใจแล้วมาทำเรียนในหลวงปู่ได้ศึกษาธรรมแล้วก็ได้อ่านดูประวัตของหลวงปู่พ่อว่าุาษิตซึ้งมาแต่ยังสงสัยในคกนากร or คำโครงบางสิ่งบางอย่างที่หวพ่อได้เรียนได้อ่านดู่า มีอย oui. ู่ตระระเลิกได้ไม่เลิกได้ไม่ระลิกได้ก็ดีขอผู้คาดจองขาดกราบเท้าทวดถวายขอขมาโทษต่อผู้ทำสงฆ์ป่วยกายบาดใจใจอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพันทุกในสงสารโดยดุลสึ้นเชิงในชาตินี้เถิดในว่านึ่งวันที่ว่าตอนเลิกได้ไม่ระเลิกได้ก็ดีขอผู้ขาดจองขาดกราบเท้าทวดถวายชีวิตจิตใจวรจาปฏิบัติบูชาต่อผู้ทำสงฆ์ป่วยกายบาดใจใจอยู่ทุกเลือนไา่มีประมาณเพื่อบันทุกในสงสารโดยดุลสิ้นเชิงในชาตินี้เถินมีประมาณ6กเจ็ดวักวักสุดท้ายว่า หรือได้ไม่รอหรือได้ก็ดีปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมใดที่เป็นธรรมอรุตทนไม่ปรับปลอกไม่เหลือเศษข้าพเจ้าก็ดีบรรดาท่านผู้เคารพรักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อลดเพื่อพ้นโดยด่วนในปัจจุบันชาติขอดองหลุดพ้นจากอาสวะโดยเด็ดขาดไม่มีเชื้อเชืออยู่ทุกเมื่อเถิดอันนี้มันเป็นคําคําภาวนาหรือว่าเป็นคําอะไรยังไม่ไม่เข้าใจกับผมเป็นคำอธิษฐานอ้โธิษฐานปารามีสัมปันโนเป็นคําสัจจะปารเมสัมปันโน เข้าใจเลยนะอธิษฐานแต่ว่าจะแอบกินแต่คำอธิษฐานก็ไม่ถูกเมื่อเราได้เลืกได้ไม่นลืได้ก็ดีเราว่าควบไปหมดแล้วเมื่อเราไม่ได้เลืกถึงมันก็เป็นอะไรรืกถึงอยู่เพราะเอาเราอธิษฐานมาอย่างนั้นแล้วถูกไหมถูกนถ้าอย่างนั้นก็ไม่สงสัยแล้วทีนี่ผู้ภาวนาไปหวังเพ่วพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติเขาก็จับเอาปัจจุบันนกิจปฏจจบันนธรรมเลยไม่ต้องตีโหาร ปัจจุบันนักปัจจุบันนันะกธรศศรมอันใดคือวุฒิพ้นกในอบคอกแย่เศษเพื่อตามจริงวัตถบัติกรรมเป็นจริงวุฒิพ้น์ทำเปจริงในขณะเดียวกันไม่มีอันใดก่อนในหลังจงให้รู้ตามเปจริงปัตถบัติกรรมเป็นจริงวุฒิพจนทำเป็นจริงอยู่ทุกนาทีนี่หมายความว่าผู้เจริญมีวัญนาแก่ข้าแล้วแต่ว่าผู้ต้นก็ให้อธิษฐานแบบนั้นอันนี้หมายความว่าพูดเผื่อพวกที่ปฏิบัติเด็กเดียวพวกเราต้องพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาปัจจุบันกิป ปัจจุบ uh ันนธรรมเพราะผู้ที่จิตอ่อนก็ให้ผู้ที่ยังสร้างบารมีต่าต้อยก็ให้เอาข้อต้นผู้ที่ทําบารมีแก่กล้ามาแล้วก็จะเข้าเอาข้อข้อปลายเอาใจนักที่นี่เอาจริงมีอะไรว่าก็เรื่องการปฏิปธรรมกันอย่างว่าก็คงพอศึกษามานิดนิดหน่อยก็คงจะมีหลายท่านที่เป็นนักปราชญอาจารย์ก็มีพวกที่เรียนนําธรรมะนักธรรโทธรรมโทธรรมเอกก็มี อย่าับผมก็ไปเรียนพระอภิธรรมที่จำมะละยองเรียนมาแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพานนี่เพราะว่าจิตเป็นอีกมวนหนึ่งแล้วก็เจตสิกอีกอย่างหนึ่งรูปอย่างนึงนิพานอย่างนึงมันแยกแยะกันออกไปนี่ที่จะมารวมอยู่ในตัวเรานี่มันมันเป็นยังไงกับผมก็นอย่างดังดังเรกันอยู่ครับเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพานนี่พระลูกเจตสิกรูกจิตเกุจิเกเน อัอคนครยอลูก็แปลว่าดินน้ำไฟลมตรงกันเดินกายเรียกว่ลูกจิตก็คือเวทนาเั่นยา ad สังขารเรียนอย่างเราเข้าเป็นอาการของจิตอืเจตสิกก็คืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนนี้แล้วก็สนเป็นส่วนชั่วเลยข้อสนเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเลยอัปยาจิตเรียกว่าสังขารทีนี้ท่านบอกว่าพระเนรพนเป็นจิตไหม พระญนปาลไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ปัญญนปาลจิตเป็นทางเดินเข้าสู่พระเนปาลเฉยๆจิต ก, ก็ค่าๆกับเรือกับแพเรานี่เองค่าๆกับรถเรานี่เองศีษ ส, สมาธิปัญญารวมลงที่จิตจึงจิตเป็นทางเดินเข้าสู่พระเนานถ้าถึงพระญนปานลเนี่ยพระเนปาลไม่ใช่จิตเพราะเหตุใดท่าหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นใยอุปทานอย่ว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลตต่างหา ส่วนพระเนผานไม่เป็นรูปเป็นนามไปแล้วส่วนจิตจัดเข้าในนามขันพระเนผานไม่ได้จัดเข้าในนามขันพระเนผานเป็นก็เหมือนกันพระเนผานเป็นที่พระอรหันต์ยังไม่ขิ้นลมตาจะจัดเปนนามขันไม่ถูกต่อเมื่อพระอรหันต์ขึนลมบาแล้วก็ไม่เป็นนามขันอีกเหมือนกันรูปขันก็ไม่ใช่ธาตุก็ไม่ใช่ธาตุก็เป็นธาตุอันที่มาเกิดไม่ดบขันก็เป็นวิมุติขันไปแล้วมิมุติยานทัศนาขันไปแล้ว เรื่องนิพพานนี่มันก็มีคนสงสัยกันพูดกันจะไม่หลงลอยบางคนว่านิพพา น, ปนแปล ว, ว่าดับแปลว่าตา ย, ยถ้าว่าดับไม่ได้เกิดไม่ได้ตายมันมันเป็นยังไงกันบ้างราคนทำบุญก็ไม่ได้บุญมาได้บาปแล้วถ้าไม่ได้เกิดไม่ได้ตายนีย่มันเป็นนิพพานในไงมีคนสงสัยกันมากก่อนนนมณฑลหลวงปู่ได้แยกแยกเรื่องนิพพานที่นี่เรื่องพองนิพพา น, นียมันก็คือดับพื้นในวัฏจักรสงังสายถ้าเกิด ไม่มีในที่ใดที่นั่นคือพระนิพพานราคะโทสะโมหะไม่มีในที่ใดที่นั่นก็คือพระนิพพานถ้าอย่างนั้นดินหญ้าไฟลมมันก็ไม่มีราคะโทสะโมหะมันเป็นพระนิพพานไหมท่านมาเนี่ยหมายอย่างนั้นหมายแต่เฉพาะ จ, จิตใจที่ไม่มีราคะโทสะโมหะคือพระนิพพานพระนิพพานก็คือดับเพลินแนวว่ทาทั้งสามทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้ปัจจุบัน ด, ด้วยเมื่อเป็นรูปไม่เป็นนาม มันก็มีข้อเปรียบเทียบเหมือนกันเมื่อเราอยู่ในระดับใดยังมาถึงพระเภาเราก็จะวาดภาพเหมือนกันยกวัตถหอนเหมือนเหมือนเต่าเียเต่าเนี่ยมันเคยอยู่ในน้ำเมื่อมันขึ้นไปบนบกมันก็ไปได้เมื่อมันลงมาในน้ำมันก็เล่าให้ปลาฟังเออเราไปข้างบนบนบกเราไปเห็นว่างเว่ง ว่างเวอสบายดีมากอากาศก็ดีเราอยู่ที่ใต้ผนเราตายไปนี่ฟ้ามันไม่เคยไปแ ล, วล้วเจมันก็บอกว่าเหมือนเหนที่นั่นไหมไม่เหนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนตมเหมือนโคลที่นั่นไหมไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เหมือนถ้ำที่เราออกมาเนี่ยไม่มีน้ําอยู่ถ้ำที่เราออกมาเมื่อกี้มีรูอยู่ไม่ไม่ไมมเพราะป้าไม่เคยอยู่บนบกพอที่จําได้ เนี่ยฉะนั้นเต่าไปเล่าให้ฟังมันก็เอาแต่ที่มันเคยเห็นมาเทียบอะที่มันไม่เคยเห็นมันจะเอามาเทียบไม่ได้ฉะนั้นในกรณีเมื่อเราปติดอยู่ในกองน้าลูก็เราออกกองน้ําลูกมาเทียบพระเนปานมันก็ไม่ถูกกัน่างเข้าใจไหมทีเี้วเพราะเหตุไหนเราจริงไม่รู้จักพระเนปานพระเนพานพระเนพานเราก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระเนพานเราพูดไปออกไปแล้วทาว่าอรหันอรหันเราก็พูดได้อยู่ จะรสชาติของพระละหันยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพระสวสดาวันพระสวสดาวันแล้วก็พูดได้อยู่แต่ว่ารสชาติของพระสวสดาวันมันเป็อีกอย่างนักคาถามำีสักทาคามีแล้วก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระอาคาคำีไปอีกอย่างหนึ่งอาณาคำีอนาคามำีแล้วก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระอาณาคำีไปอีกอย่างนอาณาหันอาณาหันแลก็พูดได้อยู่แต่รสชาติของพระละหันไปอีกอย่างนึงถ้าเราจะถามว่าเกลือนี่มันเค็มขนาดไหนรสเค็มขนาดนั้นเค็ขนาดนี้ เราก็ยังสงสัยอยู่ถ้าอย่างนั้นเอ้าขคุณเคี้ยเกลือดูซิเค็มหรือไม่เป็นยังไงราท้องเกลือเธอจะถามเอียกไหมก็หมดปัญหาก็ไม่ถามเพราะรู้จักก็บมาแล้วเข้าใจไหมนิ้ <c oughs> เข้าใจนะน <c oughs> <c oughs> ี่จักความหมายแล้วนี้ <c oughs> ที่เราไม่เห็นพระนิพพานแล้วก็วาดภาพ เออคงเป็นเป็นเหมือนแสงไฟนี่คงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้เราะว่าภาพไปแล้วไงถ้าเราวาดภาพเราอยู่ในชาติอยู่ในที่ไหนเราก็วาดไปแล้ะแต่ท่านพูดถึงพระเนปานะท่านรู้เองเนี่ยฉะนั้นะขาทำจึงเป็นสันทิปที่โกผู้บรรลุย่อมเห็นเองไปแต่ละชาติละท่านท่านจึงเทียบให้ว่าพระบรมาสาสร์ราเทียบละแหงพระเนปาไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลม ไม่ใช่อากาสารนันจายกตนะไม่ใช่ปัทมาาฌานไม่ใช่สติยาฌานไม่ใช่ตปติยาฌานไม่ใช่จตุตตาฌานไม่ใช่อากาสารยานอากาสารนันจายกัตนะไม่ใช่วิญญานันจายกัตนะไม่ใช่อาจิงจัญญายตนะไม่ใช่ในวัสัญญาณาสัญญาณกัตนะไม่ใช่เนโรสมาภัตเนี่งเหล่านี้เป็นที่พักของพระรยาเจ้าต่างหาไม่ใช่ท่านจะหอมไปพระธิพัณฑด้วยท่านปล่อยไว้เหตุแห่งพระพรทธมรรศาสตรายังเข้าสู่พระธิภัณน ยังเข้าผสมกันชาติตีแยกาติตีแยกาติตีแยกชาตตลอดถึงอาการสาหันการตลอดถึงในรถสมาบัดเนี้ยก็ถอยไปอยมาแล้วก็ท่านก็เลยเข้าสู่พระนิพพานไปสักนี่เยอะเยอะจะเที่ยวให้ฟังอีกแล้วก่อนพระรหัสที่จะตายมาเห็นสกลละกายของเราอยู่ขณะเกิเดเนี่ยนี่ครับิกิต ไม่ติดอยู่ในอดีตไม่ติดอยู่ในอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันไม่ติดอยู่ในพระรู้ในปัจจุบันด้วยผู้เห็นเป็นอนัตตาทำหมดแยกจิตออกจากตนแยกตนออกจากจิตแยกผู้รู้ออกจากตนแล้วแยกตนออกจากผู้รู้ไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันด่วไม่ติดอยู่ในสุขทุกข์อุเบกขาด้วยไม่ติดอยู่ในอะไรในที่ทั้งปวงด้วยไม่สาคัญตัวเป็นจิตไม่สําคัญตัวเป็นจิตไม่สําคัญจิตเราเป็นตัว ไม่สําคัญตัวเป็นโพลูไม่สําคัญตัวโพลูเป็นตัวไม่สําคัญว่าสุขทุกขเวหาเป็นตัวไม่สําคัญว่าตัวเป็นสุขทุกขเวขาไม่สําคัญตัวเป็นศูนศูนย์ไม่สําคัญตัวว่าศูนย์เป็นตัวไม่สําคัญตัวพระนิพพานเป็นตัวไม่สําคัญตัวว่าพระนิพพานเป็นเราเราเป็นพระนิพพานไม่สําคัญว่าเราเป็นสังขารสังขารสังขารเป็นเราไม่สําคัญตัวในที่ใดๆทั้งทิศดับเจริยมรรคจิตในที่นั้นจะดับโพลูในที่นั้นท่านก็เข้าสู่อนุภาติเศสานิพพานไปสักหน่ หลักมีอยู่อย่างนั้นเข้าใจแค่นั้นเองเข้าใจหลักมีอย่างนั้นเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้พระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานเรารู้สมุติตามเป็นจริงของสมมติเรารู้วิมุตตามเป็นจริงของวิมุตเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในงานทั้งปวง ถ้าเราติดอยู่ในอันใดอันหนึ่งเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักอันนั้นถ้าเราติดอยู่ในสังขารเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักสังขารถ้าเราติดอยู่ในพระิ涅槃เขาเรียกว่าเรามีอุปทานถือพระนิพานอยู่เรียกว่าเราไม่รู้พระิพานถ้าเราติดอยู่ในอัตตาเขาเรียกว่าเราไม่รู้อัตตาเพราะเรายังติดสําคัญตนเราเป็นอัตตาสําคัญว่าอัตตาเป็นตนถ้าเราติดอยู่ในอนัตตาเขาเรียกว่าเราไม่อยู่ไม่รู้อนัตตาเพราะเราจะสําคัญว่าตนเป็นอนัตตา แต่สำคัญว่าตตาเป็นต้นเหตุいいนั้นเราไม่ติดอยู่ในการประกานทั้พวงเลยเราดูการเป็นจริงด้วยปฏิบัติการเป็นจริงด้วยรูปกรรมเป็นจริงด้วยพระโกลมัสสากพูดให้เราฟังอย่างนั้นไม่งไงไติดอยู่ในที่ใดทั้งสิ้นทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทผลของปฏิเวทก็ไม่ติดผลของปริยัตก็ไม่ติดบุญท่านก็ไม่ติดบาปท่านก็ไม่ติดท่านจะไปติดบุญทำไมเพราะท่านสร้างพอแล้วท่านจะไปติดติดบาปทําไมเพราะท่านละพอแล้วเพรท่านท้นพอแล้วท่านไม่ติดอยู่ในที่ใดทั้งสิ้น เมติดอยู่ใ น, นที่สูญน้ำไม่ศูนย์นั่นแลนนหละคือ ท, ที่สุดกองทุกเอสอวันโตทุกขะตะที่สุดงกองทุกพาวรมาศาสตระยืนยันละเอียดไหมนะคาร์เพราะพระศาสนาละเอียดมากถู้ไหมมีพวกที่ไปติดตายคาปทมอาการตายคาทุติยอาการตายกาศ า, ปป ร, า, า, ารูประชานตายจาการูปประชานแต่ยังไม่รุดพ้นเพราะยังมีอุปทานอยู่พวกนี้ยไปเกิดทรมาโลก ตอนจะเกิดสมุทลกมีอายุยืนเหมือนกันอาลาลดาบทอุตตาดาบทรามาบุตรึ่นตายขาเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บริกรรมอยู่อย่างนั้นละโดยใจความเป็นภาษาไทยถ้าพูดเป็นตามภาษาไทยแล้ว่าเป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่ เพิกกระสินแล้วไม่เหนียวรูปเป็นอารมณ์เนียวอรูปมาเป็นอารมณ์ตายภานันก็ไปเกิดอรูปพระพรมแปดมืนสี่พันกับแปดหมืนสี่พันกับจะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาแปดหมื่นสี่พันกับแต่ละกลับละกับมันก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มาพัฒนกับเรานี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พัฒนกับเรานี้ยแปดหมื่นี่พันกับจะมีกี่พระองค์จะกี่ร้านปีในมนุษย์นับไม่ไหวแท่แล้ว นับในเมืองสวรรค์ก็ยังไม่ไหวนับผมก็แฝดหมื่นสี่พันกลับแล้วนนับเป็นปีในผมก็นับไม่ไหวอีกเหมือนกันอตัดขนาดถึงสารนั้นแหะยังในมาตกิแก่เก็บตายในวัาตะทงสารอีกอยูนะ่เพราะยังเป็นโลกีอยู่นะเีตได้จึงเป็นโลกีเพราะยังไม่ถึงศาสนาพุทธ ย, ยังไม่ถึงพระโสดาบันนะี่เลยนเพราะยังไม่ยอมถือศาสนาพุทธจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็าตามไม่ถึงพระโสดาบัน เช่น阿拉นาบทความภาษาเดบุตรกับพระโมคะลานกลับมาเลื่อมใ ส, สาศาสนาพุทธเสียก่อนเลื่อมใสพระอริยสัจก็คือเลื่อมใ ส, สาศาธธสน า, าพุทธธรรมสงฆ์อันเด่แล้วจึงมาเทศอันนี้จังให้ฟังแล้วก็จึงสําเร็จพระสดวรรณจะเห็นอันนี้นจังสักเพียงไหนก็ตามถ้าไม่ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่สามารถถึงพระโสุวันณพระศาสนาอื่นนั่นด้านปัญญาที่พัฒนา เขาสามารถเห็นอ น, นิจจังรับทุกขังท่าอนอนัตตาเขาไม่เห็นเขาอ่านไม่ออกเลยอนัตตาพระพุทธศาสนานี่ยอนัตตาทำเป็นทำอันลึกซึ้งที่สุดกับนิโรธสมาบัติลึกซึ้งกว่าเขาไปอีกนางธรรมะเทนานางเป็นพระอรหันต์ผัวเป็นผัวของนางธรรมะเทนาเป็นพระอนาคามีเป็นอุบาสก วิสาขาอบาสก์ไม่ใช่นางวิสาขาเป็นพระนาคางส่วนผัวส่วนเมียเป็นพระรหารนี่แหละแต่ถาม น, นางนางเป็นพระรหารเตวิโตสาะเชนโตก็จะสัมพิทัพประตอีกด้วยนางไม่ใช่สุขยิพัฒนโกนางธรมธินนาร อ, อคุณแม่คุณแม่คุณแม่เรียบเรียบภรรย า, ยาบอกว่าคุณแม่คุณแม่เข้าในรถเชมาบัด เวลาเข้าในโวดสมาบัตรแล้นจิตใจของคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนแต่ก่อนยังว่าพระกโกลมาศาสทได้เป็นคนมากๆขันมาขันจากความเพียงเวียนมาฉันอาหารแล้วจะสำเร็จยังไงแต่ก่อนอดอาหารคุ้มผมคุ้งขนลมเี่ยงเพราะกันเห็นเห็นแล้วพระองค์เห็นว่าไม่ใช่ทางพระองค์หนีนี้วก็ฉันอาหารวันละมือม้อมือม้อละวันมือ้อละข้าง เพร่างกายแข็งแรงขึ้นมากท่านก็นต่อสูก้กับเกลีดของท่านได้บำเพ็ญเพียรทางจิตนักฝนไม่ฟ้าข้าไม่หลงหนังอันอื่นก็ไม่หลงข้าหลงกระดูกอันอื่นก็ไม่หลงนั้นกันถ้าไม่หลงดินก็ไม่หลงน้ำก็ไม่หลงไฟก็ไม่หลงลมเห็นดินตามเป็นจริงของดิน เห็นน้ําตามมาจริงของน้ําเห็นไฟตามมาจินของไฟเห็นลมตามมาจรินของลมไม่ได้ยืนยันว่าดินเป็นตนตนเป็นดินไม่ได้ยืนยันว่าน้ำเป็นตนตนเป็นน้ำไม่ได้ยืนยันว่าไฟเป็นตนตนเปนไฟอย่าเห็นในทางฟัญญาลที่ท่านปฏิกรรมว่าดินดินดินดินอย่างเนี้น้ำน้ำน้ำน้ำอย่างเนี้ไไฟไฟไฟอย่างเนี้ยรับตาลงเราให้เห็นรับตาลงอย่างนี้เราให้เห็นจมวกไฟอย่างนี้มีเสี้ยววัคตินไฟไฟไฟไฟไฟไารรับตาเราให้มองเห็น เราเลื่อตาไปให้เลื่อตาออกเข้าเห็นเป็นลักษณะมาอะไรอะไรแว่าอันนี้เรียกว่าคเส็นเช่งให้คิดอยู่เลยๆอันนี้เช่นเห็นวางไปเห็นดินก็มันจะเอาดินมาวางว่านี่ดินดินดินินอย่างมัตรับตาเข้อเห็นดินอีกเพื่อผูกคิดให้อยู่เฉยเแบบนันส่วนดินมันเป็นของใครดินมันจะสักว่าดินอันนั้นเป็นปัญญาเราเป็นดินหรือดินเป็นเราดินอยู่แต่อำนาจอันนี้ตังทุกครั้งอันนัตาไว้อันนั้นเป็นเรื่องปัญญา ปัญญาวิปัสนาธุระจะบอกว่าคำว่าวิปัสนาธุระให้เข้าใจว่าปัญญาธุระถ้แปลเป็นไทยไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมาธิาธุระปัญญาธุระวิปัสนาธุระคันธะธุระควมหมายความว่าการเรียนวิปัสนาธุระหมายความว่าการปฏิบัติคว า, ตตาว่าปฏิบัตินี่แปลว่าปฏิบัติปัญญาว่าอย่างไรหรอก นีปัจฉนาธุระเรียกว่านี่ปฏิเรียกว่าปฏิบัติปัญญามันก็ถูกอยู่เพราเอาหัวหน้ามาพูดพูดจะมีศีลก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าพูดจะมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าพูดจะมีปัญญาก็เพราะมีก็เพราะมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะเบื่อหน่ายนิพพิธาก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะพ้นจากวิราคะก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะเป็นผู้วิสุทธิก็เพราะมีปัญญาเป็นหัวหน้า ผู้ที่จะถึงพระนิพ涅槃ก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้านั่นในเช่นั้นเก่งว่าวิปัสสนาธุระไม่ใช่สมาธิธุระไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่ทานธุระเข้าใจไหมทีนี้ไม่ใช่ทานศีลธุระส่วนภาวนาแบ่งออกเป็นสองสมถะภาวนาก็เรียกว่าภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่าภาวนาสมาธิก็แบ่งเป็นสอง สมาธิมันร้วนก็ว่าสมาธิภาวนาก็ว่าพะ mm. วังก็แบ่งออกเป็นสองพะวังเนี่ยผะผวังก็แปลว่าพบพะโพษวะแปลว่าพบแต่ว่าเป็นกุศลพบไม่ใช่บาป พ, พบแปลว่าเป็นคำกลางเหมือนกันยิบที่เรานอนหลับก็เรียกว่าพะวังเหมือนกันจิตเข้าพะวังตามธรรมชาติของสั์ท่างหล มันก็เป็นภพเหมือนกันมันก็ฝันไปอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เพราะเพราะว่าปัจจโยชาติชาติปัจจยัยเพราะชาติเป็นปัจจัยอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชาสีิไม่รู้ในทุกในรู้ใ น, ไ ม, ในไม่รู้ในทุกกระ ท, ทมไทยไม่รู้ในทุกขรณโรถไม่รู้ในทุกขรณีรถจะทำมีปฏิปทา โดยใจความก็คือไม่รู้สินสมาธิปัญญานี่ยเองโดยใจความก็คือไม่รู้จักปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เมื่อเห็นทุกข์จึงมีเมื่อเราเห็นทุกข์เราก็จึงยินดีในปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ถ้าไมาเห็นทุกข์ก็ไม่มีไม่ยินดีจะปฏิบัติออกจากทุกข์ถ้าเราถือว่าโลกอันนี้มันเป็นของสนุกอยู่การปฏิบัติเพื่ อ, อออกจากทุกข์ของเราก็ไม่ดูด ถ้าเราเห็นว่าโลกนี้จะไปด้วยกองทุกข์ทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน ด, ด้วยไม่ต้องสงสัยในเรื่องทุกข์การปฏิบัติของเราก็พอใจถ้าเราเห็นว่ามันพออยู่พอกินพอใช้พอสอยการปฏิบัติของเราก็ไม่รวดุจแลก ว, ว่า น, นั้นแล้ววันนี้ไปเลยนะถ้าถือว่ า, านอนอยู่ลุ้มทันเพลิงเพลิงแก่เพลิงเก่าเพลิงตายเพลิงโรคเพลิงกวดเพลิงหลงสนามทุกสนามเรยนสนามไป ความยินดีในโลกทางปวงของเร า, าเบาลงเมื่อความย็นดีความในโลกทางปวงของเราเบาลงมันก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาอยู่ในตัวจะบัญญาหรือไมาบัญญาไม่เป็นปัญหาเนี่ยนั่นถ้าว่าเราเริ่มใสและเราพูดประทานประสองค์อยู่ไม่มีคําสอนใดๆที่จะเหนือพระพุทธประทานประสงค์เขาเรียกว่าเราถึงพระพุทธประทคนประสงค์ อ, งอยู่ไม่มีแสงวันาคืนนะไม่มีใครจะมาปั่นได้ก่อนเขาที่จะปั่นเราได้ก็เพราะว่าเรายัง ถือว่าลัทธินั้นลัทธินี้จะดีกว่าพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ถ้าเราถือว่าลั fa, Care, ja so? ที่ใดๆไม่เหนือพระพุทธธรรมประสงค์ไปอย่างนี้การลงมาพุทธธรรมประสงค์เราก็ไม่ขบดถืนเมื่อไม่ไม่ขบดถืนในสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเราก็ลงมือทําอย่างสนิทอย่านั้นที่เราถือว่าเรียกเรกพระผาวัทบัตรเบอร์เบิรนบางทีมันจะได้อยู่ทําไมเราถืออย่างนั้นก็เพราะเราไม่ลงมาพุทธธรรมประสงค์เมื่อเราลงมาพุทธธรรมประสงค์ อย่างเต็มที่แหละมันก็ถอนไม้ออกเนาะเราถือว่ามันจะเป็นของดีหลังยังยืนหรือเป็นของพอแก้แค้นด้วะมีแต่เพิ่ม เ, เพิ่มแค้นนะเพิ่มชีพเพิ่มไมนะ้ล่มพ้นหนีไปเลยผลงานสองขานะมันมาในทับทากับทางอย่างนด้กันคิดเท่าเฉยว่าพุทธวิธามาทรงเหร อ, อนอกจากยอมเชื่อเท่านั้น ยืนเดินนัง่งนอนงรับตื่นเท้ากับภาวน่าไะไรชวนรับแล้วไปเพราต้องการภาวน่าอยัางเท้ากไา็ได้วยเท้าเรือมใส้แล้วพุทธประทับประสงค์เป็นรักนะบุญใช่ย้านเกิดมันก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเลื่อมากขึ้นเดี๋ว่างเลยอันนี้เท้าบ่ลงมาพุทธประทับประสงค์ใจความันจะปีนเย่อะแยะก็จะปีนจะคล้องเลยมันเท้าไม่ได้ปีนจะคล้องมันเท้าเน่ยบ่ลงเท้าก่อนเพราะพุทธประทับประสงค์เนเราเท้านี่ เท่าประมาณพระพุทธพระธรรมระสงฆ์ก็คือประมาณเท่าเี่พรพุทธพระธรรมะสงฆ์ยังเท่านี้เท่าถือผีผีก็ยึดทำเท่านี่ว่าเป็นผีวัดโตหเล่ากายจะเป็นพนการสร้งเป็นผีเพราะใจมันผ้าเปลี่นอรน่ที่ว่างั้นเห่ยมใช้พระพุทธพระรพระสงฆ์เหลี่ยมใช้ในใจเา S <S จับศึกอกไปยังใดใดแล้วเนาะก็ขอ้ือนาไฟทั า, ทาททนนมั่นยกพ้นยกพ้นเนาะไฟสงสยัยเส้หนหาซ้ำใดสจัตของตัวใครต้งงองใช้เราพูดระธรรมประสงคส์ซ้ำใดของจัตของตัวเพื่อจะไปของจัตต่างเนาะมองกันนะก็มันจะสงสัยมันเป็นยังไงมันจะเห็นไพ่ในวัดตาสงสารหมดเต็มทีเนี่ยเขามันเห็นแกเห็นเก็บเห็นตายยา่างเต็มทีเด็กเห็นตะกองอทุกย่างทันทีเนาะมันจะไปโยนใสพ่พระจัตพระโลงพระพูดพระธรรมประสงค์องกันเนาะ มันสอกหาสุกในวัตตาสองสารจิแข็งดียุ่นที่ตะกอมันถี่ผ้โลกมันจะขูมีเงินจากลานแต่หน่ากูจิทีขึ้นหลอดหัว่ปเพราะว่านังหลอดหัวไปกูจิทีขึ้นเพราะว่ามิจฉาราดมัเนี่ยมันมุ่งไปยังสันยุ่นเนี่ยที่ว่าไรคือเร่องมันบมเห็นพระพุทธเจ้พระสงค์ขักนว่าาะ เขาเห็นเราพพระามาสังสงับมันเขาพยินยันแล้วอันนั้นมันบวชีร่างอย่างยื้หรืวสั่งเจ้ามีมากมนีเจ้าตายนี้จากมึอนี่ก็ได้มันแต่ว่ามันตัดจำนวนมันนึ่งตัวเราสีพอได้จักมือดีบดีเขารักเจ้าไปคาเขา่าเราเจ้ารักไทยรักถอนเจ้าก็ได้เจ้าไร้ตายก็ได้เจ้านี้เขามัปาดคอจักมือนี่ก็ได้มันบวารแห่งสัตี้ในเงินจะชิบล้าน่าลานจะขูกรอดพวกขุทีพื้นมันจะว่าจตัวอันไหนไม่ นั่นแหละย่นานหัวเลยมึงชนะมึงตะเยไปไดวะเจกูยิ่งเลร้ายราเพราะว่าบอกหมากินนัมันจะย่งคนเทียรเาเพราะว่าบอกกูยิ่งสันทีเ่มาน่อยเ่หัวเยกมันเมันนีผาซิวเมีเยกมาได้เพราะว่าเจนกเหยืขาซาง่ยจะเ้ายยำาสันบอาปงเงิวยสิดกล้เกินาสันบอกนมูนี้มันเรื่องกูไกันเรืกูเวเงนเลยเนี่ยมันมีมึงถนยอหันเวรอยังไงัน มึงถนะเรมดเนาะพราวนางานอยู่มึงชนะมึงจะเก่งวันไดนบักหนี้เพราะว่าสันยักษนวพ่อวานางายมึงแค่จะคบเหงคุดีเนี่ยง่ายมึงถนะคุรีจะเอาให้มึงเห็นได้รับทุกจักย่างดอกไม้สันหลอกสันมักับหลว่าวานาาลงกับกระเบื้อพระพุทธเจ้าแล้วันบว่าสันจิตใจมัน้กันสันว่า เียด้ยทั้งเสียดทังพระผูกเว้นพรสวดาวันอันนั่นแมนนม่หนาเชื่อโยนนี่เหตุนี่ผลพอนเสียดพระผูกเว้นพวกเสียดผูกเวนนี่มึงถนาอยนเแี้ยจ้างพรใกล้พรสวัดาวันตายก็ลงมรรหกทวนนี่แหละลงมระบอมันมาเหยียให้กูวันหันมันมาเหยียนากูว่นี่มึงถนะกัดเจ้าควมันบอกมึงือมึงเชือมึงเชจ้างพ่ะจะไปตายมึงได้ก็ทวนมรรหกันนั่นแหลงมรรคบอเจ้าทิาน แต่จะพกสร้างไว้แล้วเมรรคสร้างไว้เต็มเมืองคนสวรรค์ก็สร้างไว้เต็มเมืองคนอยู่มรรคโลสวรรค์สวรรค์มันจะเกิดขึ้นเะเมืองค้นขสรางไว้เมเมืองคนจิตใจมันเป็นสวรรค์ลกนเนี่ยจิตใจเป็นมรหกก็เกิตายไปก็เปมรคกันจิตใจมันก็เป็นพระอรหันต์กเป็นเตเมืองคนถาแล้วจะไปคิดต่อไปเอาพระอรหันต์นาเหนฮอได้คิดต่อกินน้า้างนามันก็ได้ต่จะห้าวพิจารไปว่า บางองค์ใ ก, ก ล, ล้สะตายเพราะนี่ยวยพระานบางองค์แก่ว่าเก็บขมานรู้ว่า้กพี่หน้าลองทุกก็ไ้ลงแล้วเบื่ อ, อนายไข่หมา อ, อนในว่าตาทั้งสามก็ไปแล้วเลยบางองค์ใก้ประชิดตายได้กีได้ย่างนึงก็ได้พระานย่างหนึ่งกรได้พระสักพ่าขามี่ย่างนึ่งกะได้พระอานาข้ามี่ย่างนึงก็ได้พระสสดา์ันใกล้ตายว่าบางองค์กรไ ด, ทด้ท่านยูดีเอยูดีไม่แห้งเลยก็บอกว่าถืออรกอไาบางองค์เนี่ย สัตกรรมเขาสัตหกอรมมาถือคนเกสตรกคนเคยไปคนเคยเป็นฤๅษี่นไปเคไปฤๅษีสัตั์ไม่คนเท่าไปัตไม่คนเท่าไปแต่หอดบุงบนึงดินแหงแล้วไม่คนเ่าเนั้ยไปถือหัวกบหัวกบแล้วตายข้าอย่างกบผง่นก็บอกว่ามันถือหัวกบไม่เพิ่นเกษารกรพระพุทธเจ้าองค์ก้อน พ่อมาพ่อมาพ่อมาครมาหอดฝากนะพระโคดมองเ้าเพิ่นกระซักก์คนเท่าเพินกัะเดินยกมือขาปลาเด็กเขาไปพุ่งหอกเขาลกเขียนพกคุณพวกเขาพุ่งหอกเขาเขลกอหมือนคนหามเจ้าคุณละเขาไปซัดเนื้อนืปลาม้าไก่เขาบ้านเนี่เสี่ยงหอกมาเห็นไปซัดหอกเขาวันมาหกมันเพิ่นเดินยยกมืหันขาเดินโยกมือขาทักคุณแล้วอัมันเป็นปลาบังลูก ไ ป, ปลาบางคนทางพักไงผเนี่คันทางกับมอยู่คือบแม้ท่านหัวเขาจะไปอยหันเลยคือคือคำโยนพระเจ้าก่อนถึงักตัวถึงเขงก็ไปอยชักเข้ามา้ถือหอกถือคนคือคนนี้เพราะนั้นเลยซอดอสฝนก็เลยถอดหอกออกก็หน้าตากว่าโอ้ยว่เอได้หรอพอนกข้าเดนกลมออกไม่เ อ, เอาบไ ม, อไ ม, อไม้อัดข้ามาเดินกลมไป ก, ไปก็ไปก็มาแสองลบอะไ พี่กันนาของทุกในว่าตาทังซางเกิดทั้งเมตถ้าขูมีศาสตร์ไม่พบอยู่ขู่ก็จะเป็นทั้งเสียนอกจากเสียแล้กับพี่กันนาเมื่อนายศาสตร์ได้พบแบบเย็นๆเนี่ยท่านก็ได้สั่งโซ่ไป่าอยู่มาอย่มาเส็จเข้าจัาของจักส่วจะเข้าไปยังไงอกบวาพระองค์เจ้าอธิบายว่าพระองค์นี่เป็แสพระองค์นี่เป้เสียคนมาอธิบายพระพ้ามาเรื่องพระพุเจ้านีะเจ้าเลยบอกเออแต่ศาสตรก่ เพิ่นขาดเพ่นขากบไม่มีเจตนานัมมาทัพคนเท่าไปเป็นร like ื right. so ่องซื้อสัมมาหอดบุงสัพพกบอยไม่มีเจตนานี่เขาก็ซัดเข้าไปก็บม่มีเจตนามันนั่งเงินมันจะสำเร็จฝาเงมันตามตามท่านเลยกรรมไม่มีเจตนาอันโซโม่เข้ัมนท้านเจตนาคือกัดเขียวย่าคันกระดั้นเฮ็ดยังไงมันคิว่าพระท่านอยมันจะไปตามพระท่านอย่างโ่เ้า นปมีกินต้มฝาเข้าไงเายอ่ะสันดึือดขาวมันตัวอะแม่งหรอก <c oughs> นไปโัเนี่ยหัวเถิทนได้ขยากแม่นลูกปืนผู้ใดแม่งบรอก <c oughs> นี่ห้อยลูกปืนกูเพราะว่าเขจะได้พูนร้ายเนี่ยบัตนะซัวซัก็จออกนั่นใอันนนี่ใสเละรับถ้อยคำเพื่อได้ขยันจะได้ออกร้ายแม่งหร ไม่จะใครไม่ห้อยแต่ว่บาบัตรหักไปไลเนื้อเนาะผู้แรกกระจกไขแม่นเนี่นแกลลูกปืนเนาะผู้ได่แม่นบอกนี่คือพ่องลูกปืนปูถือบัตสันหัดสั่มย่างดีสั่มเพราะว่าถือกระไตเอื้นค่งเพราะว่าบัตรหออกเนื่อไปแคบบุญแคบทาตุเนาะผู้แรกกระจกใช้ได้ออกหลยแม่นบอกแม่นบอกบัตรหัเอาไ ป, ไปไปไปเรียมันมิดออนซอน มัน meow. เรียกแต่บอกให้ฟัง oh, ยังไงล่ะเข็ดหรือว่าเข็ดหลับหรือว่าหลับอันนี้เราอีหยังไปอีกแล้วมันเสมอได้แล้วไม่จักสีบอกยังไงมันต้องพูดเื่องบุตรใจพูดเรื่องพูดเรืองบุตใจพูดเรื่องจัดเพศถึมากยังไงเดี๋ยวที่ว่าให้สามารถตัวเรียกออกตัวนั้นนยท่ำไม่ตายที่นี่ออกตัวคีบหายนะเรียก มึงรัดก็ัวเลกคืออกออกตั ว, วนนนนึ้นไปอย่นงนี้หล่อหงอนงอนเืือบด้ยินดีกำบาเลยเนี่หล่อสั่งห่ไปว่าบมาห า, า, า, า, า, า, าอุบายให้็ฏินนนนนนว่าบโมเมีน น, นีนมนน่มันงอน่บ่าวสั่ั่งหลอห่อถห่อขอมากเอนเพิ่งรอเบิ่งกิี้ล่อมจักแล้วเราเป็นเนี่ยพก็กาตาสั้นฟองร้อง ถ้าว่าธรรมามันนับตาจริงๆเขาแต่ไปแทเพอ ร, รอดด ว, ว่ากิเลโต้พุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธขเดียวก็ได้เนะี่ยนะท้าโม่สังโ้อของมังหวมีนน้อยยาห้างเดียวใช่ไหมพันซองทพุทโธพุทโธพระาพามาเกิดมาแกมาเก็บมาตายสาธุดพุทโธ พ, พ, พาให้ท่านรักษาศีลพอนะ พุทธทผ้าหายนี่ศีลหาพุทธทอผ้าหายเดี่ยวใช้พระพุทธศาสนาณโม่อันเดียวกันยังไม่คลายะโม่เนี่ยขอหายนี่ท่านนี่ศีลนี่พ่อหน้าให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ขอน้อมไหวพระพุทธธรรมประสงค์พุณพอคนแม่ไหลไปสู้อันเดียวกันหมือน่ะต้องอันนี้ก็ถือว่ากำปัตตีนเนี่ยคือถือก็ไม่ได้การ์ดนอ่ะไม่ได้กามันก็ดินเด้ดินปฏิว่าน้าขันยุกปฏิว่ตน้าขันยุกกับยังไม่ดียตนี่ยเนอไย่างเี้ตีคือท่าดินก็ถือวัดแน่ใจโลกธาตุถแต่โลก เต็มด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเาเห็นมาพอองค์เก่าชาติทิพย์ธุข า, าแล้วการเรีงธรรมจากรทอดันน่าสุดชาติทีพย์ธุคาเค่ถือปุ๊บใโลกธาตุยิงปืนมาเดียวถือปั๊บใจโตโลกธาตุลองทำนะพวามโลกธาตุเต็มไปด้วยชาตุความเกิดเป็นทุกข์ด้วยอันอื่นมันแหง้งอันอื่นกับความเก่าฮะชาติทิพย์ธุคากับถึกปเพราะโลกเต็มไปด้วยความสลาย มันั่ไปทุกครั้งพุททั้งหลายเต็มไปด้วยข้อตา ย, ยถืกอกมดอรรถนวันเะเนย่ว่าเทวานั่ง อ, นาา ง, งอ้นว่าเทวดาทั้งหลายทัทั้งอาวเสียงสุตตะวาา่ากระทรงเขินเม่อบนนะขนแปลจาจุมหาราชิกาเทวาทัต์สมณสัตว์เลวสงจ่าถุมหาราชิกานั่งเทวานั่งสัพ์ทั้งสุตตน่ก็ถือกหอดตาติงสาสึงหอดย่ามาดุจิตานี่มานวะตติปรณิเมตตาสวัสดีพุทมัง พ, พุท้าพทธมัโงโลกให้ตามหาพุ ม, มาปริตาผาอ ป, ปมานาผ้า อาพัฒรา พ, ษษษพานาษษษักตัสุภาพประมาณนะสุภาพสุภาพกินหน า, าสงใตาไว้กระเถือกมัดชาติที่พึ่งขาคว่เดียวหรือควมม่ประมาบเที ย, ยงคว่ำเดียวกระถือกมดหรือทุกันเดียวก็ถือกมัดพอะไรก็ไม่ทุกอย่าลนั่นอันน้บอันมันมถือโรอบมัดเด็ดเพียงเพยงเพีย ง, ง, ง, ง, งถือขอดผู้ฟังถือขอดผูด้บ่วฟังคนจะ่าคนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินนสั คนตาบอดมันก็ไม่แก้ไม่แก้ไม่ตายเท่กันนีคนหูหนวกมันก็ไม่แก้ไม่แก้ไม่ตายเท่กันเนี่ยมันก็นกนถือกันต้อุปูปฟัง่งสร้างมาถือมัดนั่นเปนยังว่าถ้ามาจัดประวัตินาสูตรเทวานั่งสตัต่างคุตรวา่าจากตุมหารากรเทวาน่งสัตว์ชมาลศรีสวรสง่าจากตุมหาราชกษรเทวานั่งนั่งเทวานั่งสัตวางคุตรว่าจักรวิสิสายงามาดุจิตไปหอดพุ่นหละหอดพระหน้าข้าไมเ่หะะเห็นอภิษาสีทัปปะศิลัสสาน พวกผ้าหน้าคามีอะไรอย่างถืยอยุคผ้ตายเป็นยุ่ได้ได้ตายว่มีกองผ่อนจูดสุมเฝ้าเมียนนั่นเอมื่อสวนนี่ว่ามีแผนต่อมีแต่หยอดขอฝ่ามันจะเลือบซองใส่ใส่ว่ามีกองผ่อนจูดสุมเผ้าเมียนเข้าเมียนนั่นเว่าจะทําให้หัวหน้าสารทิงทางชินสวนจินจะคลองทือกหวนว่าหงแหงทํางหน้าว่าจะผ้ากันปุ๊กจูกจองหื่นยาว พวกสวรรค์นี่ว่าพวกพ่อมาโลกคนแรทักไปอีกยังมาเกิดมาแกมาแกมาตายย่พวกพกนี้พรทศดาันตายเพเปลี่ยนตายเป็ยน่ห้าเก้านาเรื่อยพระทั้ามีตายเเปลี่ยนตายเป็น้าเกืาเ่อยพระอนาค้ามีตายเเปลี่ยนตายเป็นทาเก้านาบ่ได้บ่ได้หนลงมาื่มูเฮามูเฮานี่ยคำว่ถึงพระทศดาันพระทั้ามีอนาคข้ามี่เนบ่ได้ถึงสันดสันนึงบ่ได เยเป็นบ้าแดงควงวงม่วงบ้าด้ขันนึงก็ต้องหายไรขันหนึง่งบ้านใดพระสวัสดิบาลก็เอาสักขะทาคาม่บ้านใสักขะท้าเขามิก็ออกอาอนาคาม่บ้านเชรายกับขาทัดมันก็ได้ฮะตัวพวระสวัดิบาลนุ่งกัดเพราะไอ้เสือมันก็บบ้านใดแล้ว รูส้สูให้กูกินน้ำแร่เลกเพราะว่านั่นแหละว่านี้ไกลได้ช่องเฮงพวกไก่พระเทวตารวันเนี่ยเข้าพวกเอาไปจะเอาแฮวเธอทั้งหลายถ้าไม่เห็นห้าเดี๋ยวเธอทั้งหลายจะเสียดายในภายหลังเนี่ยอบอกพุทธเจ้าเธอทั้งหลายเราเมตตาพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรักษาเส้นหน้าใหบริบูรณ์ จนถึงว่าพุท ก, ก็ทำประสงค์ให้ถึงชุวก็จะปนโนซะถ้าเธอทั้งหลายไม่ถึงชุวก็จะปะโนโนแล้วเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังเราเป็นเจ้าเราก็เป็นเพียงบอกเธอทั้งหลายเราจะทําแทนก็เธอทั้งหลายไม่ได้อนอนนี่นอนก็ต้อง น, นอนเองน้่น้ำก็ต้องดื่มเองเป็นเพียงบอกเธอทั้งหลายเท่านั้นเองถ้าว่าเธอเป็นพวกบ้าบ้าเสียเจจะผิดมนุษย์แล้วเราก็ปิดขนทางบอกไม่ได้ นี่เธอทั้งหลายฟังได้ยินหูอยู่ถ้าเธอไม่เอาเป็นความผิดของพวกเธอเราก็ไม่ได้เพ่งโทษว่าตอนนั้นมยังไมาฟังท่านสั่งสอนตอนนี้ยังไมาท่านสั่งสอนแต่สิไส่ไหนสี่ไหนแล้วก็ทุ่มเทให้รูล้ลวงหลานหมดแล้วทีนี้เราไม่ได้เพ่นโทษเราเลยธรรมบรมศาสตร์เลเาเธอจะลาพ่อข่านไปละถ้าเธอทั้งหลายยังไม่ไปในชาตินี้เธอทั้งหลายก็คอยพระพุทธเจ้าองค์หน้าแต่ว่า ห้องค่อยสินนอกงสาาร้างหาปีทิปปีลาดปีเพิกรบโอ อ, อกหาไปตกหมอล๊อกู่แล้วรตะเรียวกันไปฮะน้าไปเป็นสัติสตาสารเนี่ยอีกอยเนีเลยเขาออกใส่ขาดแท้์เทย์มาไปเขาขอนรั่มเนยแต่ห้าเกิดถึงวงเป็ควายมากเขาออกมา ไ, ไทยหน้าเนี่ยไทยหน้าเมื่อยเพราะแค่เนบีบาดิตายเขามอว่าจ้อยไร้เติมลรวสูฮออิโอไปเข า, าซื้อเพราซื้อเพราะว่าไปซ้เีในในยเสร่นี่ยเป็นไอ่เนี่ อย่างม Allah, ูเขาก็หักกันเอ๊ยบักลาบข้ามมากินก้าทันแต่ให้เขาาไปคลายเขาเอามีดแทงข้อเขาก็หักไปเพื่อขาเพื่อกายอย่างน้ใ้ไปเกิดเป็นมือให้ไปเกิดเป็นก้าเขาบีบข้อกระปีกใช่การขับพวกอะไรๆอยู่ตัวปาดข้อทำท่าให้เกิดเป็นคนอย่าไปห้หมูห่ามันจะขึ้าทำท่า้เกิดเป็นคนอย่าไปให้หมูห่าต้องม่ต้องขึ้นมัต้องขาดทุน พระสวดาบันะขาดทุนได้ินหาประจำนะพระกาทุนเ้าม่ได้ชิ้นหาแล้วขาทุนแค่ขทุนแคครับบอกท่านว่าเอาที่วอกฟัานเนี่ยพวกโลกีร์เนเวลากาจะตายมะลึกถึงท่านถึงสินของตได้ไปได้ขันมันบ่ได้ลึกถึง้มันถจะจรงนะเขากมาผูกมันบอคือพระสดาบาลนี่พระสวดาบาลน่แล้ลึกว่าลึกก็ว่าเป็นปัญหาเลยที่ตายืนตายเดือนตายนั่งตายนอนกร้างสีไหลตายตามผ้าผ้าก็สร้างพกกไป ทุกตะทิของเพิินบอกของฉันว่ามันด้ต่างพาต่างท้างในพวกนี้เพราะมันขาดไปแล้วด้ยมันปิดอบายจะพูดใหม่แลยถึงจมนุษย์เข้าใจไหมนะฟังผูดอย่างนี้พอรู้นะพระตะค่าขามคือกันพระหน้าที่ามีคือกันพระทหารก็คือกันพระจิตเขาซ่านว่าเขาซ่านว่าเปิดปัญหานี่พระหารพระโสดาบันพระกรทกขามอนา้ามมีอะไรกันพระจิตเขาซ่านว่าเขาซ่านก็ซ้างตายย่ำไดเพิ่งกรไปอยู่ว่างไตายย่ำเขาคาเพิ่นกระไปอยู่ว่างไหนบ่กของฉันวนา เด็กท่านสั่งจว่าต่างขาสรัพย์ทัพยี่เวีตเป็นของบาปหลายไปได้เป็นห้าแม่ไปถืกปกโตมันป่าฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าไปถืองกโต้ป่าฐานะพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าไปถือไก่โต้ป่าฐานะพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ข้าทาปะคอก็คือพระพุทธเจ้าสายศาสตร์เป็นปะคอนี่ห้าห้องไปขาปลาบ้านถือโตมันเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าจุบาปโดนไปได้กันนั่นนั่นนั่นนั่นห้องของพี่คณะทีบาปนี้ก็ได้นั่นนัประลักขึ้นกันละ ถ้าข้าไปรลักของถือของพระพุทธเจ้าใส่ศาตถือของพระสกทาข้ามี่ใส่ศ า, า, า, าสตร์ก็พระเ ถ, ถระดาบันใส่าตรมันเนี่มันจะประบาบห้ายบอกฮะนี่เห้าไปคมคืดด้วกันเลไปคมคืนแม่ขาวามนไปคมคืนพระเถระดาบานทั้งวมงมันนถึงพระชถระดาบันมั่นเนี่ยฮะเนี่ยบาบหลายบอกฮะนี่ยถึอแม่ขาวคูมันทั้งพระสกทาข้ามี่ทังพระโถระดาบันมั่นนั่น ถามาเบียเบียนพระเจ้าพระสงฆ์ก so, ันนะถ้า so, ถือพระชว์ดาวันเนี known, ่ยจะแค่ไหนะมันชุบบาปร้ายก่นี่นักหนับอกพี่น่ามันครับเน่ยบอกวกบอเดาวก็เศ้าาเอว่าไนเนี่ยเนาะเดวเ้าห้าว่าเอาว่าไหนที่เอาได้ันี้เอาบอกเอาไปได้จะขวงเอาบอเนาะเจันเอาไปให้ลูกพ้าน่ะ มูตโตหักลูกหักงร้านอา่ะาเขาเรียนเรียนผ้าเนะ่ยมันยิ้มหายตายเอาไปเออเออกระมูอห้ากระเว๋าหลายเหนือัมดยุคตีผู้เดียวบม่ได้เห็ดหลายเลยเดี๋ยวกรรมทันไนะก็คิงนึ่โหลดพึ่าหน้าโหลดยิ่ไปจริงมาก็สร้างพึ่งหน้าเลยเอเอาไปได้เจ้าของ เอาไปได้จะฟ้องเน้ยเอาไปได้จะฟ้องไปคืโทษาโมจำโกโทษจำโมจำโกโทษจำโมจำโกโทษจำโมจำโกโทษจำโมจำโกโทษจำโมจำโกอาโทษจำโมจำโกโทษจำโมจำโกโทษจำโมจำโกเจ้าจำโมจำโกเอาไปได bueno <c ười> ้จะฟ้องโอ้อื สภาพสาแต่ว่าควันวัดสาสูงแล้วเช่นเดือนใช้แค่แค่สาสนะเป็นข้อมูีเป็นยามาก เ, าาา เ, าเป็นเนข็ม่าญๆนี่สายตาเขยนหูวเาในเป็นแกนข้องหลบดู่ทุกๆทิวส่วน หลอกเสร็จอะี้ยโเดลงพิพิธสันะคะนั้นในภาดนะครับนักชีวรลุกต่างกงเข้มยั่ไงของพิิธภัณฑนะมองเข้ในควใจกั บ, อ บ, ออบอออของนี่พวกนี้ไรยังงเนี่ยมองเข้มในอ่ะจักเคักเคย้องกระพริบกรพริบเมื่อเหตุผลเนี่ย มันผลอันถูกตอมันดัเหตุก็ต้องมันดับผลก็ถูตองเชื่อเท็จบรรดับเหตุก็คือเนี่ค่ชิ้หายไปมบก็เป็นเหตุไปเื่อยนี่เกิดไปเพราะอะไรคือมันว่าเป็นไปนั่งข้เลร่้นยังเกิดไปนั่งไปไปนั่งธรรมะข้นจริงว่าจะเป็นไปนั่งขี้เหร่ขนเกิดไปนั้งธรรมะอ่าเป็นไปนั่งธรรมะเพราะพอง์กรอันข้อนจริงแค่ข้อนจริงของพญามารมันก็ไปนั่งขีเลรเท่าแต่หายแผลเป็นทุกข์ จริงเขง า, ารพระธรรมวรัชพรธเจ้าให้เขาพระศาสนาเนี่ยมันก็เป็นไปในในเหตุดีขั้นดีทำหน่อยแล้ททำมากึงอมุกเหตุเนี่ยจะทำได้ว่าประสงค์ก็ได้รับตามส่วนค่้นค่าของเหตุทำดีคือกันทั้งช่วอกันให้ผู้สร้างเหตุเกิดสำ น, นึกใจอันเยว่ห้ใช้สมาธิหนาสาดให้เป็นผู้รับผลใจเป็นผู้ได้รับผลอันเดียวไม่เพื่ได้ะมาแหยื่รับ สร้างเหตุแล้วแล้วผลมัต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนคนข้าของเหตุเหตุนั่งผลก็ลังเหตุนอนผลก็นอนเหตุรับผลก็รับเหตุว่ารับผลขก็ว่ารับเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุว่าสงสัยผลก็ว่าสงสัยผู้สร้างเหตุสร้างผลมันคิดมังใสอันเดียวผู้คิดใหญ่มีควาประสงค์ง่อยด้วยมักจะสร้างเหตุดีผลดี พิจิตใ จ, จนี่พยายามม า, มานี่ายด้วมากจจะข้เห็ดสังเกตตัว้นตัวโดวยก็รูดตัวแต่เมื่อรูดตัวมากกซสายกั บ, บ่ายไปซะั้าอนอนไรก็ตามขันว่างลงแล้วมึงมองวันข้าอนของพเจ้าหรือเปล่พลอดลพระเจ้าเอาอไปกินแน่ทํามอันันมันดีดีมึงข้าสิแ ง, งทําเป็นโรค ก, กบาง ผูกข้องโลกสองยาควบละอายตาบบควกลัวตาบเท่านั้นคือุูมข้องโลกได้เขาว่ามีอยากอายตาบับไม่มกลัวตาบาบเด้อผูกข้องโลกก็ไรทำควาีคิดในี่แจ้งอไรทำามทำไมที่รับกฎหมายกัดงูกัดพักกัพวกตั้งกับปรยูความบึงบวบงูคามเข้ามาสอนของพระองค์เกา ทำคำสอนกรรมแล้วเขากรรมมาเริ่ ม, ม, มเอ่างเขาเขากดไม้กดงกดพักกดพวกเลยเป็นธรรมะจิตกระต่ายเลยเป็นสารอายกษ์การเป็นสารจัดสินเป็นสารใจสวนง่ายๆตัวมองสัน่นเห็นไดสั่ น, อนอเจ้าโรกเทศอันใดว่างมงมงทศาลสอนคนเชี่ยวไปบ่ไหนไปบ่หลอดเริอดสื่อนับชีพ ป, ปรลุเขาพอถือว่ามึงยับาไม่บุญเขาไปได้บ่เขาไปไห้บ่ เราไปได้บอท่ากับพ่อเราเพราะมัแตกกระเจิงกับมาแลวบอคุณพ่อคุณแม่บมีคุณกว่งอจารัานบอมีอม่ไปได้บอไปวัไทยนั่งเขียนไฟไหม่โลกบอเืออบา ย, ย ม, มุกทุกประเภทไฟไหม้โลกหมยายงล่นกับเล่นขึ้นจะหาไดไรมาละลานกรสร้าเอามาบูซ่า ย, ยัน อวัอยวกหมดอวัยวงคือหมู่ซาห ย, ยั่งอย่าเดียวมอหยั่งอย่างวิธีเนี่นยต้องใสารับรับถือพระพุทธศาสนะถอนม่อออกดึงร่องแหละถอนม่อออกผู้ ด, ดึงไว้ทั้งเพชรก็ถอนม่อออกผู้ ด, ดยงไว้ทั้งสูบ ก, ก็ถอนมืออกถ้ามาถอนมืออกมันถอนม่อออกทั้งสองทาง พระพุทธเจ้าที่มีที่ระล่านพระองค์ก็ท่าต้องมีพระราบสญญัติของธรรมอันเกลา์โมเดยวมีอันมาย่เทียเปนทรงพระน้าวโรกาวิโูพุรุแกงโลกอนุตรลพุยามพุทธิาธรรมสาสิเป็นผู้ฝุกตนและผู้ท่านผู้เอื้อดีมันแนสัตติฝึกมากรักาาทวามนุษยสานัง เป็นที่เพิิงของเที่ยวดาที่สอนของเที่ยวดานัก า, าพุทโทษเป็นผู้ ต, ตืนออกจากความคิดแล้วเพราเขาว่าเป็นผู้จาแนกขั้มั้มสนใ น, ในใจโลกษาถึงแม้นเมื่อคํามสอนพระพุทธเจ้าเป็นไปบพาะอะรทุกทุกสมัยกดายกดมืก็ทักๆๆก็กก พ, กกพวกต่างข้นม่วมังเบื้องคำส อ, อขนของคุณศาสนาะไปบ่หลอดแตกกระจึงเสือต่อเสือกัดกันเขา การตั well group, <con> ้งกฎหมายการว่างกฎหมายราเบิงคาสอนของพระพุทธเจ้าไปบ่รอดคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนโลกเอาซะตรงตรงเลยคับ่าจะไปสอนสบว่าสอนพีตัวไดพระพุทธเจ้าเป็นการบ้านการเมืองคำสอนของพระพุทธเจ้าพรธศาสนาเป็นการบ้านการเมือเป็นการเทวดแทวดาเป็นการพระอรหันต์ครบวัดว่าผัวเขามีอกสอน เมในราพอกลูกกสอนในราบเบ า, บากับน่ายกสอนแจะกันงานท่สามชุกควนแก่กำลังไออาหารในล่างว่นพญาบาทในเวล่าเกี๊ยวไข่แก่ของมีรถแบบกับลานให้กินโดยปล่อยน่าสมัยนั่นส่วนน่ายกันส่วนเบากันลุกขึ้นทําการงานก่อนน่ายเรื่องการงานงานที่หลังน่ายถื้อเอาแต่ของที่น่ายใหย้จะกไปรักกรอบนักเสียมไปน้า ทำการงานให้ดีขึ้นจะเห็นนี่แกหมือแก้วินจะเห็นจะแก่มากนายนําคุนของนายไปเสนอในที่นั้นนั่นนั่นมีบรรเจ้ามาพุทธเจ้าบอกในหว่างผัวเขาไม่เอาพุทธเจ้าเขาบอกถือว่าพุทธเจ้าว่าเป็นการบ้านการเาามืองว่บมึงขาสอนพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาว่าเป็นการบ้านการเมือว่างคือไปสอนผีตัวไหนนั่นพี่านาวมงรู้เปล่าเนี่ยพ อ, อยเห็นคน่าห้อจับ ภาษาภาสีมันตั้งโคดหมายตั้งทับพระพุทธศาสนาไปบงอไมันตายอยู่เยนเยนหมดาแปรประโยก่าประโย ค, โยคนนเงียนังซื้อแล้วมันไปตายเลยเบียงจริงหไดกตั้งโหมายมมองพระพุทธศาสนาพุทธธรรมสงสารนักฆาเมิตรว่าโลกสารนาาาักฆาตมิตบอก่ แน่นวะอันนี้กระสงวนวัดธงกระสั ง, ว น, น ง, นสงวนปลากระสงวนบ้านกระสังวนเมืองกระสังวนคนสิทุกกระสังวนบะนักศึกษาระสงว่กระสังวนบะนอนว่าพ่อค่ายวาราจะทุกข์แน่นวะ ว่าแม่บอก่น <c oughs> คนหวังผลทุกได้ว่าตาต้องสารโลกเปลียนเกียวเพราเลียนเกียวเห็ไหมเางจักโลกพราเลียนเกียวเพราะงจักโลกเปลี่ยนเกีย ว, วขอราะหงจักอยู่ขเลย นุ flix, kay, de, ane, <laughs> ่งกับเกงงูมขี้ใกล้เลยข้าเบิงแดงเลยลูกพ่อเนี่ไม่มีพระเวไนยเขอเนตัวแม่งห่อเขีอันรถมาถ่งไซน์ไซนออกกรโผกกพ่างวหม้อไซแว่นตาดำๆใช่ไหมครับเห็นพระมากเเดขขาออกไปใส่แม่งหร ข้ามอ่งมัมังนไม่มีมาระยาบเลยว่าบ่ถ้าอะไรไม่สํารวมกันส่วนแม่บอกพะเจับันตายมาเนี่ยทนประกาศข้าจะไปควงจะทู่ีมาไล่วกเขาฮิมาไล่มันท่อนติดสีงข้าว้าวจะเบียดเบียนพรุทธศาสนาไปเพรอเนี่ยโลกเสมอนี่ับอุบัติเบียดเบียนใไนพุทธศาสนาเรมันเรียมนึงกับเรียมหนึ่งเลยเออกันเอาันมัันตาย น้ำลายม้วนน้ลายคนฝากองทําน้าลายมวนคืนฝาป ก, กเบดเบยดพรพุทศาสนาทำงานที่สั่งตรสงออมพุทธศ า, นา ส, สออศานายังอยู่ร่งเย็นยงลงลรวก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพุทธศาสนาพินาศลงเราจะลุดอยู่ได้เองเราก็เหมือนมอดห้อยจดุดชิ้นๆจะคุณพุด ใครร่างใครก็ทราบพระพุทธศาสนาขนองกรรมจะตามพันอยู่ทุกเวลาเลยอยากขนขนกรรมอันบ่ดีบ่ดูสวยห้ือเปล่าคนขี่ม้าไปขี่ดูสวยเอาแล้วไหมพุกกินโซ